เกี่ยวกับท่านั่งหลักการอยู่ที่ว่าอิริยาบถใดก็ตามที่ทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะผ่อนคลายสบายที่สุดแม้ปฏิบัติอยู่นานๆก็ไม่เมื่อยล้าและทั้งช่วยให้การหายใจคล่องสะดวกก็ใช้อิริยาบถนั้นการปรากฏว่าอิริยาบถ ท, ที่ท่านผู้สำเร็จนับจำนวนไม่ถ้วน ได้พิสูจน์กันมาตลอดกาลนานนักหนาว่าได้ผลดีที่สุดตามหลักการนั้นก็คืออิริยาบถนั่งในท่าที่เรียกกันว่าขัดสมาธ์หรือที่พระเรียกว่านั่งคูบันหลังตั้งกายตรงคือให้ร่างกายท่อนบนตั้งตรงกระดูกสันหลัง18ข้อมีปลายจดกันท่านว่าการนั่งอย่างนี้หนังเนื้อและเอ็นไม่ขด ลมหายใจก็เดินสะดวกเป็นท่านั่งที่มั่นคงเมื่อเข้าที่ดีแล้วจะมีดุลยภาพอย่างยิ่งกายจะเบาไม่รู้สึกเป็นภาระนั่งอยู่ได้แสนานานโดยไม่มีทุกขเวทนารบกวนช่วยให้จิตเป็นสมาธิง่ายขึ้นกรรมาฐานไม่ตกแต่เดินหน้าได้เรื่อยตามที่สอนสืบกันมายังมีเพิ่มว่า ให้ส้นเท้าชิตท้องน้อยถ้าไม่เอาขาไขว้กันแบบขัดสมาธิเพชรก็เอาขาขวาทับขาซ้ายวางมือบนตักชิตท้องน้อยมือขวาทับมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือจดกันหรือนิ้วชี้ขวาจดหัวแม่มือซ้ายแต่รายละเอียดเหล่านี้ขึ้นต่อดุลยาภาพแห่งร่างกายของแต่ละบุคคลด้วย ผู้ที่มิเคยนั่งเช่นนี้หากทนหัดทำได้ก็คงดีแต่ถ้าไม่อาจทำได้ก็อาจนั่งบนเก้าอี้ให้ตัวตรงสบายหรืออยู่ในอิริยาบทอื่นที่สบายพอดีมีหลักการสำทับอีกว่าถ้ายังนั่งไม่สบายมีอาการเกร็งหรือเครียดพึงทราบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องพึงแก้ไขเสียให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติต่อไป ส่วนตาจะหลับหรือลืมก็ได้สุดแต่สบายและใจไม่ซ่านถ้าลืมตาก็อาจทอดลงหรือมองที่ปลายจมูกให้เป็นที่สบายเมื่อนั่งเข้าที่สบายดีพร้อมแล้วก่อนจะเริ่มปฏิบัติปราดบางท่านแนะนำว่าควรหายใจยาวลึกๆและชา้ชาๆเต็มปอดสักสองสาครั้ง พร้อมกับตั้งความรู้สึกให้ตัวโลง่งและสมองโปร่งสบายเสียก่อนและจึงหายใจโดยกำหนดนับตามวิธีการอาณาปานสติเป็นกรรมฐานเดียวในบรรดาข้อปฏิบัติเป็นอันมากในมหาสติประทานสูตรที่มีคำแนะนำกำหนดเกี่ยวกับอิริยาบถว่าให้พึงนั่งอย่างนี้ดูได้ที่กายคตาสติสูตร และคุรีมนนทสูตรด้วยส่วนกรรมฐานอย่างอื่นยอมเป็นไปตามอิริยาบถต่างๆที่เข้าเรื่องกันหากจะมีการนั่งก็ยอมเป็นไปเพราะความเหมาะสมกันโดยอนุโลมกล่าวคือเมื่อกรรมฐานใดนั่งปฏิบัติได้ดีและในเมื่อการนั่งอย่างนี้เป็นท่านั่งที่ดีที่สุดก็เป็นธรรมดาอยู่เอง พึงนั่งอย่างนี้ตัวอย่างเช่นการเพ่งกะสินและการพิจารณาธรรมารมณ์ต่างๆนานๆเป็นต้นเหมือนคนจะเขียนหนังสือท่านั่งย่อมเหมาะดีกว่ายืนหรือนอนเป็นต้นพึงเข้าใจความหมายของการนั่งอย่างนี้ไม่ใช่มองเห็นการนั่งเป็นสมาธิไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่าการนั่งแบบคู่บัลลังก์นี้ เป็นท่านั่งที่ดีที่สุดแก่สุขภาพและการงานดังนั้นเมื่อจะนั่งหรือในกรณีจะทำอะไรที่ควรจะต้องนั่งท่านก็แนะนำให้นั่งท่านี้แม้แต่นั่งคิดนั่งพักนั่งสนทนานั่งทำใจเหมือนที่แนะนำว่าเมื่อจะนอนก็ควรจะนอนแบบสีหาสยยาหรือเมื่อจะเดินอยู่ลำพังก็ควรเดินแบบจงกรม ดังนี้เท่านั้นเองการแนะนำการนั่งแบบครูบรรลังนี้ในบาลีเชนที่มาชิมานิกายมาชิมาปัญ น, นาตมาชิมานิกายอุปริปัญ น, นาตอังคุตระนิกายจตุการนิบาศและขุตกานิกา ย, กาากากายอุทานเป็นต้น